คนที่พระพุต ธ, ธรรมที่พระเจ้าสนัเส ร, ริญเรียกว่าสัตบุุษหรือว่าบัณฑิตเพราะว่าบัณฑิตนี้ไม่ได้หมายถึงคนที่มีปัญญาล้ำเลิศหรือว่าจบตริญญาแต่ท่านหมายถึงคนที่ มีปัญญาในการดำเนินชีวิตให้ออกจากทุก <S <S ข์ได้ก็พระพุทธองค์ได้พูดถึงบัณฑิตในหลายแงย่อย่างเช่นบัณฑิตก็คือผู้ที่รู้ประโยชน์ประโยชน์ท่านหรือว่ารู้และบางเป็นประโยชน์ทั้งสองอย่างบางทีท่านก็ ผู้ว่าบัญญิกก็คือผู้ที่มีกายสุจริตและจิสุสจริตแล้วก็มโนสุจริตก็คือคนที่ทําความดีทั้งกายวาจาใจไม่ได้หมายถึงคนที่ฉลาดอะไรมากมายเลยแค่เป็นคนดีทั้งกายวาจาใจก็เรียกว่าบัณฑิกจะมีคําจ่าถึงบัญญิตอันหนึ่งซึ่ง เพื่อส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินนะไม่เคยได้ได้ฟังเท่าไหร่ท่านผู้ บ, บรรัญชิดก็คือผู้ที่แบกภาระที่มาถึงแล้วก็ไม่แบกภาระที่ไม่มาถึงหรือภาระที่ยังมาไม่ถึงก็ไม่แบกเอาตรงข้ามออก คนพาณคนพาณินี่คือไม่ได้คนคนชั่วคนเล่เสมอไปอาจจะหมายถึงคนที่ไม่มีปัญญาคนพาณิชยนั้นก็มีลักษณะสองอย่างก็คือว่าไม่แบกภาระที่มาถึงแล้วก็แบกภาระที่ไม่มาถึงก็คือ อ, อะไรที่ควรทําก็ไม่ทำ อะไรที่ไม่ควรทำก็กลับทำหรือว่าจะรวมไปถึงการทำในสิ่งที่ไม่ใช่เวลาอย่างเช่นสมมติว่าตอนนี้เป็นเวลาที่นั่งฟังธรรมแต่ถ้าเราไปชวนเพื่อนคุยที่น่าจะไม่ใช่คีเล่นแต่เป็นการปรึกษาหรือว่าจะทำครัวพรุ่งนี้เช้าอย่างไรดี ไอสิ่งที่คุยนย่สิ่งที่ปรึกษากันก็มีประโยชน์นะแต่ว่ามันไม่ใช่เวลาก็คุยกันปรึกษาเป็นหลังทําวัดก็ได้ไอสิ่งที่ครทำก็คือว่านั่งฟังทำด้วยความตั้งใจหรือว่าเรากำลังขับรถนะทางไกล หรือบนทางด่วนก็ได้แต่ว่าแทนาที่จะจดจ่อใส่ใจอยู่การขับรถ<อ>ก็ทำมาปรึกษาหรือเพื่อนเรื่องจะทอดประสินที่ไหนดี<อ>จะไปทอดกี่วัด<อ>จะแบ่งสายกันอย่างไรในการเรียนลายบอกบุญอันนี้ก็เรียกว่า ทำสิ่งที่ไม่ควรทําหรือไม่ใช่เวลาไอ้สุ่งที่คุยังมีประโยชนอยู่แล้วละนะ่ะแต่มันไม่ใช่เวลาขับรถเสร็จก็มาพิจาหณาลือกันก็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิด ว, ว่าขับรถไปศึกษาหณาลือกันไปเรื่องสร้างวัดสร้างทำท่อกระถิน่นเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา ก็จะโทษไม่ได้ว่าเป็นเพราะว่าทําไมทาดีไม่ได้ดีคุยนะเรื่องธรรมะศึกษาหรือเรื่องการทําบุญกับประสะอุบัติเหตนะุอันนี้แสดงว่าทําดีไม่ได้ดีอันนั้นไม่ใช่นะนะทำดีในที่นี้ก็ต้องรวมถึงว่าทาถูกกรณีถูกเวลาด้วยถ้าไม่ถูกเวลาไม่ถูกกรณีมันก็ยังเรียกว่า เป็นความดีที่ไม่ทบถ้วนเรียกว่าประโยคควิบัติหรือว่าประโยคน้าวิบัตก็หมายถึงว่าการได้ทําความดีให้ถูกเวลาด้วยพระเจากก้าจัดว่าการรมนี่มันจะให้ผลได้เนี่ยนอกจากจะทําดีแล้วเนี่ยต้องประกอบไปด้วยองค์สี่ก็คือ กายและสมบัติถูกเวลาคติสมบัติเช่นสุขภาพร่างกายพร้อมอปุคติสมบัตนะิร่างกายพร้อมคติสมบัติก็คือว่าอยู่ในถิ่นในที่ที่ถูกแล้วก็ประโยชน์คสมบัติครับดว่าการเป็นการทําการงานที่ ถูกเหตุถูกผลถึงแม้ตั้งใจดีแต่ว่าในสิ่งที่เราทําขาดความรู้ก็เลยความตามเหตุตามปัจจัยนี้ครบถ้วนนี่ก็ถือว่ามันไม่ใช่ประโยคสมบัตินะเป็นประโยควิบัติอันนี้ก็เป็นเครื่องที่ิดใช้พิจารณาว่าเวลาทําดีทําไมถึงไม่ได้ดีก็เพราะว่ามันบิบัติอันใดอันหนึ่งแต่ว่าถ้าจะ ทำแล้วเกิดประโยชน์หรือว่าประสบความสําเร็จหรือว่าทําดีได้ดีในความหมายที่เราเข้าใจกันก็ต้องมีสี่อย่างนี้อันนี้ก็เป็นการอธิบายความหมายว่าไม่ทำหรือไม่แบกภาระที่ควรทําหรือที่มาถึงแล้วก็แบกภาระที่ไม่มาถึงนี่หมายความว่ย า, งงายังไงแต่ที่มีความหมายกว้างกว่านั้นนะ คาว่าแบบนี้ก็อาจจะมาถึงไม่ใช่ทำลงมือทาแต่ว่าจิตใจแต่คุ้นคิดถึงมันบัมเด็ตนี่เป็นผู้ที่แบกภาระที่มาถึงก็ถือว่านอกจากจะรู้ว่าอะไรควรทำแล้วในขณะที่ทำสิ่งนั้นเนี่ยใจก็อยู่กับสิ่งนั้นด้วย <c oughs> คนส่วนใหญ่เนี่ยแม้นะว่ากําลังทําสิ่งที่ควรทําแต่ว่าขณะที่ทําอยู่นั้นเนี่ยใจก็อาจจะไปแบกสิ่งอื่นที่ยังไม่ใช่เวลาหรือที่ยังมาไม่ถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็แม้นะว่าจะยังเป็นสิ่งสําคัญมีประโยชน์แต่ว่า ถ้ายังไม่มาถึงนะก็ไม่ควรที่จะเอามาเป็นอารมณ์อย่างเราปฏิบัติทำอยู่นี่แต่ว่าเราไปเป็นนึกนถึงเรื่องงานการที่จะทำในอาทิตย์หน้าแล้วหรือวางแผนว่ากลับไปถึงบ้านสาว์าทิตย์นี้เราจะพาลูกไปเที่ยวที่ไหนดีพาพ่อแม่ ไปชินอาหารที่ไหนดีอันนี้ก็เรียกว่าแดกภาระที่ยังมาไม่ถึงคนเราทุกคนเห็นนี้มากนะก็คือว่าไ่แดกภาระที่ยังมาไม่ถึงบางทีก็ไ่กังวลถึงลูก ว่าจะให้ลูกอไปเรียนต่อมัธยมหรือเข้าหมหาวิทยลัยในไหนดีทั้งๆลูกยังอยู่แค่ตระกมสีนะ่คิด ไ, ไกลๆแล้วนะจะให้ลูกเข้าหมหาวิทยาลายไหนมหาวิทยาลายไหนดนะีเสร็จแล้วก็กังวลอจะเข้าจุฬาได้ไหมนอ้อหรือว่าจะส่งลูกไปนิวยอร์กดี ลูกยังแค่อยู่ปอเสียงนี่ไปก็แล้วแล้วกังวลนะถ้าลูกเข้าหมายชลัไม่ได้เราจะมีกําลังส่งลูกไปเมืองนอกไหวไหมกุ้มใจแล้วนี่คิดทำฉอดไไ ก, กลเลยเดินมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่น้อยนะเรายังไม่ได้ข้ามฉอดไปกลเป็นปีทีนะแค่ไม่กี่ชั่วโมง ก, ก็ได้นะก็มีเหมือนกัน กินข้าวอยู่ก็คิดถึงเรื่องงานการเรื่องประชุมตอนเช้าแล้วก็กังวลว่าเอเราจะพิเส้นงานได้ดีไหมหรือว่าจะไปถึงที่ประชุมทันเวลาหรือเปล่ารถติดหรือเกินนี่ขณะกินข้าวนะไปแล้วนะจ่ายไปแนละ้วคนเราเป็นอย่างนี้อยู่ บ่อยๆนะไม่ใช่ประิ่งที่คิดไม่ดีนะให้เรื่องงานเรื่องการมันก็เป็นเรื่องที่ควรคิดแต่ว่ามันไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตนะที่จะไปไปคิดถึงหรือไปรับภาระหรือไปแบกภาระสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่ควรจะใส่ใจกับสิ่งที่อยู่ต่อหน้าหรือว่ามาถึงแล้ว การกินข้าวก็ถือว่าเป็นกิจอย่างหนึ่งที่เราควรใส่ใจเมื่อเรากำลังกินข้าวอยู่หรือขณะที่เราทำวัดสดมนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นภาระที่มาถึงแล้วเราก็ควรจะใส่ใจเกี่ยวการสดมนไม่ใช่คิดวางแผนที่จะไป พาลูกพาพ่อแม่ไปเที่ยวในวันเสาร์อาทิตย์ในวันยดสุดสัปดาห์ในโ่กของเราเนี่ยทุกประเหตุ น, นี้ก็มากทุกข์เพราะการแดกรับภาระที่ยังมาไม่ถึงแล้วก็ละเลยภาระที่มาถึงแล้วก็คือไม่อยู่กับปัจจุบันนั้นเองพอใจเราไปอยู่กับอนาคต ก็เลยทุกๆก็เลยกังวลที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้วางแผนถึงอนาคตวางแผนถึงอนาคตก็เป็นสิ่งจําเป็นพระพุจา้าก็ให้เตือนให้เราเนี่ยราลึกถึงอนาคตตะไคห้าประการอยู่เส ม, มออนาคตตะไคห้าประการก็หมายถึงว่าอนาคตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเตือนใจให้เราไม่โกรธ ม, มาเช่นว่าในขณะที่ยังหนุ่มยังสาวอยู่ก็อย่าไปเพลิดเพลินในความหนุ่มความสาวก็ให้เรารู้ว่าต่อไปเราแก่ชราถึงตอนนั้นก็อาจจะทําอะไรได้ไม่สะดวกจะปฏิบัติทำรรก็ลําบากเพราะฉะนั้นก็ควรจะรีบทําในขณะที่ อย่างหนึ่งอย่างสาวยังมีกําลังวางชายอยู่หรือว่าในขณะที่มีสุขภาพดีไม่มีโรคภทยเบียดเบียนก็ให้ระลึกว่าต่อไปแล้วอาจจะเจ็บป่วยได้ถึงตอนนั้นก็จะทาสิ่งที่ควรทําได้ลำบากรวมทั้งการปฏิบัติธรรมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะที่มีสุขภาพดีก็ต้องเล่นทำซะอย่าไปคิดว่าจะเข้าวัดก็ต่อเมื่อแก่อันนี้เราประมาท หรือว่าในขณะที่มีอาหารบริบูรณ์ผู้นะ่าคุณมีความสะดวกสบายก็อย่าชะลาดใจเพราะอนาคต น, นี้อาจจะมีปัญหาข้าวปลาข้าวยาหาหมากแพงนะต้องทำมาหากินตัวเป็นเกลียวเห็นตอนนั้นก็ปฏิบัติธรรมลำบากแลนะนะต้องยุติธรรมในขณะนี้ อันนี้รวมไปถึงอีกสองข้อคือว่า้าที่บ้านมึงบ้านมึงมีความปกติส ง, สงบสุขก็เดืตื้นชนลาใจเพราะว่าอนาคตมันอาจจะเกิดความวุ่นวายเช่นอาจจะเกิดแผ่นดินไหวไัยี่บัตอย่างที่หลายคนกำลังห่วงแต่ไม่ใช่ห่วงแล้วก็ทำให้ตื่นตกใจท่าเราก็กลับมาดูปัจจุบนันเออตอนนี้เรายังบ้านมึงยนะังปกติสงบสุขเลียร้อยดีพอสมควรก็ รีแค่โอกาสนี้ทำความดีสร้างกุศลปฏิบัติธรรมซะแล้วก็สุดท้ายคือว่าในขณะที่หมู่ชนหมู่คณะยังมีความสามัคคีกันดีอยู่ก็อย่าเพิ่งเพิดเพินช้าละใจเนะเพราะว่าอนาคตอาจจะเกิดความแตกสามัคคีกันถึงตอนนั้นก็จะวุ่นวายทำอะไรลำบากเพราะตรง น, นี้ต้องรล่นธรรมซะ น, นี้ก็เป็นตัวอย่างว่าทูตเจ้าสอนว่าคิดถึงอนาคตได้ แล้วควรคิดถึงในในหน้าที่จะได้เตรียมตัวเตรียมาจให้ไม่กังวลผู้มาคือว่าคิดช่วยปัญญาหรือคิดด้วยเกิดปัญญาไม่ใช่คิดจนถูกอารมณ์ครอบงำหรือว่าคิดเพราะว่าถูกอารมณ์ชักนําไป่าสังเกต ด, ดูวเวลาเราคิดไจถึงเรื่องอดีต ก, ก็ตามอนาคต ก, ก, ก็ตาม เราคิดด้วยปัญญาหรือเปล่าคิดเพื่อทบทวนสิ่งที่ผ่านไปเพื่อหาข้อหาบทเรียนหาข้อแก้ไขหรือว่าเราคิดด้วยความรู้สึกอาลัยเสียดายเสียใจเศร้าซ้อยหรือเวลาเราคิดถึงเรื่องที่ยังเป็นอนาคตเนี่ยเราคิดด้วยความกังวลหรือเปล่าหรือว่าเราคิดเพื่อ จะได้เตือนใจไม่ให้ประมาทมันต่างกันบุคคลที่แบบภาระที่มาไม่ถึงนี่ก็คือเอาเรื่องที่ยังมาไม่ถึงมาเป็นอารมณ์แล้วก็เกิดความกังวลต่างๆนานาเลยเขเรื่องงานเรื่องการหลายคนกินข้าวอยู่ตอนเช้าก็นึกถึงนึกเป็นห่วงงานพอทำงานก็เป็นห่วงลูกที่บ้าน ตอนเย็นกลับมาเจอหน้าลูกแทนที่จะอยู่กับลูกนะด้วยความใส่ใจก็กลับเป็นห่วงนานนะคือใจมันไม่เคยอยู่กับปัจจุบันเลยนะคนที่พออยู่ในที่ทำงานก็ลึกเป็นห่วงลูกที่บ้านก็นอกจาก แต่ทางานได้ไม่ดีแล้วเพราะไม่มีสมาธิแล้วก็ยังมีความทุกข์เพราะความกังวลเสร็จแล้วพอมาอยู่กับลูกที่บ้านแทนที่จะใส่ใจกับลูกใช้เวลาที่มีอยู่กับลูกให้ดีก็กลับไปห่วงงานก็ทำให้อยู่กับลูกได้ไม่เต็มที่และเสนะกานใจก็ทุกข์ด้วยคนเราทุกข็เาเห็นนี้มาก ถ้าเพียงแต่เรารู้จักวางภาระที่ยังมาไม่ถึงซะวางออกจากใจแล้วก็ใส่ใ จ, จกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันอันนั้นก็เรียกว่าเป็นวิสัยของบัณฑิตแล้วคนเราทุกเนี่ยเพราะว่าไปอยู่กับอดีตหรือไม่ก็แปลงไปวนกับอนาคต ลองพิจรารณาดูในชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวันที่มีควา ม, มอกหกักใจมีความกังวลมันเป็นเพราะอะไร<ม>ถ้าเราพาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้และทำสิ่งที่ทำดูให้ดี<ม>น่าจะเป็นงานยา ก, ยากแค่ไหนในที่สุดเราก็ทำสำเร็จได้แต่ส่วนใหญ่ยังไม่ทันจะทำเลยนะ ก็หนักใจแหละหัวข้องงานมันยากงานมันเยอะต้องใช้เวลานา น, นที่แค่นี้ใจก็ทอทอ่ะแทนที่เราจะอ่าทํางานที่เราทําอยู่ให้ดีงานมันจะเสร็จกี่วัน ก, กี่วีก็ตามแต่วันนี้เราจะทําให้ดีที่สุดไม่ใช่แค่วันนี้จะทําให้ดีที่สุดจะทําเช้านี้ให้ดีที่สุดจะทําชั่วโมงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็จะทํานาทีนี้ให้ดีที่สุด ทำตอนเช้าก็ไม่ไปกังวลถึงงานตอนบา่ายทำวันนี้ก็ไม่ไปกังวลถึงงานวันพรุ่งนี้แต่นั่นก็หมายความว่าต้องมีการวางแผนเรียบร้อยแล้วนะพอะวางแผนแล้วว่าจะทํางานจันทร์ที่สุดมีงานอะไรบ้างพอถึงวันจันทร์แล้วก็จดจ่ออยู่ว่บบาวันจันทร์งานวันจันทร์นั้นส่วมันจะเสร็จอีกอกี่ปีแล้วก็เป็นเรื่องอนาคต มีนักปีนเขาคนนึงเขาพูดไว้ดีนะก็เป็นคนที่ปีนเขาที่สูงที่สุดในทุกภูมิมาแล้วรวมทั้งภูเขาเอเวอเรสต์ที่สูงที่สุดในโลกแล้วก็ประสบการณ์จากการเดินเขาปีนเขาเนี่ยทำให้เขาสรุปว่าความอะไรก็ตามมักจะดูน่ากลัวเสมอเมื่อมองจากที่ไกลๆยอดเขาเนี่ยเนะี่ยถ้ามองจากปีนเขาเนี่ยดูมันน่ากลัวมาก ถ้าหาว่าเราตั้งใจจะไปให้ถึงยอดนะถ้าเราดูแค่เฉยดูแค่ชื่นชมมันไม่ได้คิดจะปีนไปให้ถึงก็มันก็ไม่น่ากลัวหรอกแต่เวลาเราตั้งใจว่าเราเต้องปีนไปให้ถึงยอดเนี่ยถ้ามองจากแค่คลิ้นเขาหรือเชิงเขาเนี่ยเห็นก็ท้อแล้วสูงต้องเจ็ดแปดกิโลหน้าเ้าก็เยอะเขาก็ชันขี่ม้าก็เทียบแค่เดินก็ท้อแล้ว แต่เขบอกว่าเคล็ดลับในการที่เดินไปให้ถึงยอดเขาได้ในที่สุดก็คือใส่ใจกับพื้นดินที่เรากําลังเหยียบอยู่แล้วก็ก้าเดินไปทีละก้าวทีละก้าวและวันนี้คือเคล็ดลับคือศิลปะในการที่เขาปีนไปถึงยอดเขาได้สําเร็จไม่ได้ไปสนใจอยู่ที่ยอดแต่สนใจที่พื้นที่เหยียบอยู่แล้วก็เดินไปทีละก้าวทีละก้าว อันนี้ก็ตรงอับที่ครเจ้าตรัสว่าเนี่ยให้อยู่กับปัจจุบันไม่ใช่ไม่วางแผนวางแผนเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วว่าจะเดินไปเส้นไหนแต่ถึงเวลาเดินจริงๆก็ใส่ใจกับแต่ละก้าแต่ละก้าแล้วเขาพบว่ามันจะกลายเป็นง่ายขึ้นสิ่งยากจะกลายเป็นง่ายเมื่อเราจดจ่อกับแต่ละก้าแต่ละก้า ก็เลยแน่ว่าเวลาทํางานแล้วก็ตามก็ให้ซอยงานแบ่งเป็นส่วนๆส่วนๆแล้วก็ตัดจับออแต่ละส่วนให้ดีที่จริงเดี๋ยว่าแต่งงานเลยนะแม้กระทั้งสิ่งที่เราชอบเช่นข น, นมเค้กรูปพิซซ่าเนี่ยมันแผ่นใหญ่มีใครบางที่กินทั้งแผ่นได้ในเวลาเดียวในคำเดียวเราก็ต้องซอยต้องตัดออกมาเป็นส่วนๆ 6ส่วนหรือ8ส่วนแล้วก็แม้แต่เวลาจะกินแต่ละซีกแต่ละส่วนนี้ก็ไม่ใช่ว่ากินทีเดียวหมดนะก็ต้องกินทีละคําทีละคำมีใครบางที่กินทีละหลายคําำกินทีละคําเท่านั้นแหละแล้วเวลาทํางานนี่ก็ทําทีละอย่างทีละอย่างไม่ใช่ทําอย่างหนึ่งแต่ใจก็ไปคิดอีอย่างหนึ่ง ทำงานนี่แต่ว่าคิดไปถึงตอนเสร็จแล้วว่ามันจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเริ่มปฏิบัติธรรมวันจันรก็นึกถึงวันเสาร์แล้วว่าจะกลับบ้านอาถึงบ้านกี่โมงนะไปแล้วข้ามช็อตแล้วหรือว่าคิดถึงว่ า, าจะได้ผลยังไง ทำนี้เนี่ยเราจะทุกอาจจะทอ้อเพราะเราจะรู้สึกเลยว่าแต่เราแต่เราวันแต่ละวันมันผ่านช้ามากเดี๋ยวว่าแต่ละวันเลยแต่ละชั่วโมงแต่ละชั่วโมงเพียงแค่คิดว่าโหเราต้องเจอต้องปฏิบัติธรรมอีกหกวันนกว่าจะกลับบ้านมันทอ้อเดี๋ยวว่าคนที่เบือ่อคนที่เซ็งคนที่เครียดแต่ถ้าเราเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเรา อย่าไปสนใจวันทุ่มนี้สนใจแต่วันนี้หรือว่าดีกว่านะั้นคือสนใจเช้านี้ไอตอนบายเป็นยังไงเก็บไว้ก่อนไม่เอามาเป็นกังวลในลึกด้วยซ้ำนะโอ้เราจะผ่านไปถึงคํานี้ได้ยังไงทำเช้านี้ให้ดีแล้วก็ทำชั่วโมงนี้ให้ดีเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องงา่ายไอที่มันอยากเข้าใจเราคิดไปเอง การอยู่กับปัจจุบันทําแต่ละนาทีทําแต่ละขณะให้ดีสำคัญมากแ่ากระทั่งจะเป็นงานยากนานลำบากงานเสี่ยงอันตรายนี้ก็ผ่านไปได้มีนักมีนักไปรวดคนหนึ่งายเชือกคนหนึ่งเป็นคนที่ปแปลกเนี่ยแกชอบจะไปรวดไตเชือกในที่ที่มันประหลัดพิสดารเมื่อสามสิบปีก่อนตอนที่เริ่มสร้างตึกเวิลเซนเตอร์เนี่ยซึ่งตอนนี้ก็ กายเป็นอดีตไปแล้วเพราะว่าถูกทำลายจากเหตุการณ์สิบกันยาเมื่อสิบปีที่แล้วตอนที่มันเริ่มสร้างใหม่เนี่ยเมื่อเขาร่วมกันตึกที่สูงสุดในโลกเนี่ยเขาก็มีความฝันว่าเขาจะเทียนแล้วก็ไถเชือกที่ขึงระหว่างยอดของตึกสองตึกนี้แล้วพอตึกเริ่มสร้างจะเสร็จนะเขาก็แอบไปขึ้นตึกเนี่ย กขาเป็นฝรั่งเศสแอบขึ้นตึกนี้แต่ยันถึงยอดเลยแล้วเขาก็ขึงเชือกระหว่างยอดของตึกสองตึกซึ่งห่างประมาณร้อยหรือ100ร้อยกว่าเมตรเนี่ยนถะึงไปทำไมขึงเพื่อที่จะเดินไปเชือกแล้วพอภาพที่เริ่มขึ้นเริ่มสว่างเขาก็เริ่มเดินตึก น, นี้มันสูงสี่ร้อยเมตรนะขึ้นกิโล เขาเดินโดยที่ไม่ไม่มีอะไรเลยนะนอกจากนอกจากไม้ยาวๆที่เอาไว้ใช้ในการทรงตัวขอเดินได้ไม่เท่าไหร่คนก็เห็นคนจากข้างล่างก็เห็นก็ไปเรียกตำรวจตำรวจก็มายืนรออยู่ที่ปลายเชือกแต่เขาไม่สนใจเขาเดินตายไปเดินบนเชือกนั่นแหละ ไม่ใช่แค่เที่ยวเดียวนะเดินถึงเจ็ดเที่ยวกลับไปกลับมากลับไปกลับมาถึง45นาทีเราลองึกภาพเคนที่เดินอย่างนั้นข้างล่างเนี่ยคนมีตัวเท่าตัวเท่ามดเดินได้ยังไงแถมมีตำรวจคอยคว้าตัวอยู่ตรงปลายเชือกพอเขาเดินไปถึงตรงปลายเชือกตำรวจจะคว้าตัวเขาว่าหันหลังกลับเดินต่อ กลับไปกลับมามีคนถ่ายทําเป็นเป็นหนังสารคดีเรื่องนะตอนหลังพอเขาเดินจนหลนงใจนะเพียงใจตํารวจตํารวจรอมาแล้วเขก็เลยลงมาให้ตํำรวจจับแล้วก็มีคนสัมภาษณ์เขาว่าไอ้ตอนที่เขาเดินนี่เขาเขานึกถึงอะไรใจเขานึกถึงเป้าหมายหรือเปล่าเขาบอกเขาไม่ได้นึกอะไรเลยใจเขาเนี่ยนึกแต่ว่าจะ เดินแต่ละก้าวแต่ละก้าวอย่างไรจะเคลื่อนเท้าขาขวาจะเคลื่อนขาซ้ายอย่างไรเขาสนใจแค่นั้นแหละก็ทําให้เขาสามารถที่จะเดินบนลวดได้อย่างปลอดภัยบางทีที่ลองเนี่ยก็เหมือนการเดินบนเส้นลวดหรือเดินบนเส้นเชือกที่เราเนี่ยเหมือนกับการใส่เชือก เราก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเราจดอจอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีสิ่งที่ยากก็จะกลายเป็นสิ่งที่ง่ายหรือง่ายกว่าเดิมและสิ่งที่ลบาบากก็สามารถจะทำให้สาเร็จได้มันสาเร็จได้ด้วยใจนะความเพียรก็สำคัญแต่ว่าใจก็สำคัญมากว่าเราจะวางใจอย่างไร การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันคือการที่ฝึกให้เราเนี่ยมาอยู่กับปัจจุบันไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามอย่าไปมองว่าอย่าไปเปรียบเทียบว่ า, วางานนี้เป็นงานไม่ไมสำคัญงานที่อยู่ข้างหน้าเราสำคัญกว่าเช่นถูฟันนะระหว่างการถูฟันกับการประชุม ที่มีงบหลายพันล้านหรือว่าเกี่ยวข้งของกับคนจานวนมากแน่นอนการถูฟันนี่มันก็เป็นงานเล็กน้อยเที่ไม่ได้กับงานที่รอเราอยู่ตอนเช้าซึ่งมันเกี่ยวพันกับงบประมาณหลายล้านหลายสิบล้านหลายร้อยล้านแต่ว่าสําหรับบัณฑิตแล้วเนี่ยไอเรื่องประชุมนั้นมันจึเป็นภาระที่ยังมาไม่ถึงในขณะที่ถูฟัน นั่นคือภาระหรือจิตที่กำลังทำอยู่มาถึงแล้วเราก็ใส่ใจใส่ใจได้ใจเต็มร้อยก็คือทํอยามีสติหลักการเจริญสติก็คือว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นเมื่อตัวเรากำลังถูฟันใจเราก็อยู่กับการถูฟันไปเวลาเรากินข้าวการกินข้าวก็ในแง่ของความสำคัญก็อาจะไม่เื่อมไม่ได้กับงานที่ เราต้องทำตอนเชา้าแต่ว่าสาหรับบัณฑิตแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นปัจจุบันเนี่สำคัญที่สุดท่านติณธันทบอกว่าปัจจุบันเป็นเวลาที่ประเสริฐสุดเพราะว่าเป็นสิ่งเดียวที่เป็นของเราจริงๆอดีตก็ผ่านไปแล้วทำอะไรกับมันไม่ได้แล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงไม่ใช่ของเราทำอะไรกับอนาคตไม่ได้เลย ปัจจุบันเป็นขณะเดียวเทานั้นที่เราสามารถจะทำอะไรได้และสามารถจะทำความดีให้เกิดขึ้นก็ได้ทาความช่วยให้เกิดขึ้นก็ได้เป็นเวลาประเสริฐเพราะเป็นสิ่งเดียวที่เป็นของเราจริงๆอยู่ในวิสัยอยู่ในอำนาจที่เราจะทำอะไรก็ได้แ่าจะไม่ได้ทุกอย่างก็ตาม เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใส่ใจอยู่กับปัจจุบันให้ดีตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นถ้าเราทำเช่นนี้เนี่ย เ, ยเราก็ไม่เพียงแต่จะมีความรู้สึกผ่อนคลายเพราะไม่มีความกังวลกับสิ่งในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่เรายังสามารถที่จะทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดได้ การกินอาหารถ้าเรากินด้วยความใส่ใจนะมันก็เป็นประโยชน์นะไม่ใช่ต่อร่างกายเราแต่ต่ใจของเราด้วยเช่นเดียวกันเวลาเราอยู่กับใครก็ตามเราก็อยู่เขาด้วยความสาใส่ใจการทิ้งตัวเข้าด้วยความใส่ใจหรือว่าทําปฏิบัติกับเขาด้วยความใส่ใจนี่มันไม่มีประโยชน์ต่อเราอย่างเดียวนะมันมีประโยชน์ต่อคนอื่นด้วย อาจจะอย่างที่เรานึกไม่ถึงเลยจะมีช่างแต่งผมคนหนึ่งเขาไล่ฟังว่าวันหนึ่งเขาก็ได้โทรศัพท์จากผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็มา น, นัดหมายว่าตอนบ่ายนี้ว่างไหมเขาจะมาทำผมช่างแต่งผมก็บอกว่าว่างมาได้เลย เพียคนนั้นก็มานะก็มาในชุดเรียกว่าแต่งตัวเรียบร้อยอย่างดีเลยเหมือนกับว่าจะไปงานไหนสักงานหนึ่งช่างแต่งผมนั้นก็ต้อนรับอ่าลูกค้านะด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มแล้วก็ระหว่างที่แต่งผมไปก็พูดคุยนะอย่างเป็นนิสแล้วก็อดชมไม่ได้ว่าโอ้คุณนะ แต่งตัวได้สวยมากก็พูดในทางที่ให้ความรู้สึกเป็นนิดแล้วก็เป็นกันเองสัมผัสแต่และสัมผัสที่ช่างแต่งผมได้สัมผัสนะไม่ว่าจะเป็นเรือนผมก็ดีหรือว่ า, าตัวเธอก็ดีนะก็ทำให้ความใส่ใจนะอ่อนโยน ก็เวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วลูกค้าก็คุณพอใจแล้วก็ออกจากร้านไปในกี่วันต่อมาเนี่ยทางแ่งผมก็ได้จดหมายจากลูกค้าคนนี้และลูกค้าคนนี้ก็ไลยฟังว่าความตั้งใจของเธอเนี่ยนะในวันนั้นเนี่ยก่เธอจะฆ่าตัวตายแล้วก็เลยพยายามจะ แต่ตายในสภาพที่ดีที่สุดเหมือนว่าไปเทนงานสําคัญก็เลยแต่งตัวให้ดีแล้วก็จะมาทมําผมตั้งใจมาทําผมให้มันดีที่สุดเพราะว่าขอให้ตายในสภาพที่เพอร์เฟกที่สุดแต่ว่าหลังจากที่มาได้ทําผมกับช่างคนนี้แล้วเนี่ยเ ธ, เธอรู้สึกประทับใจมากช่างทําผมคนนี้ทำได้ความใส่ใจที่ทําให้เธอรู้สึก เกิดสิติขึ้นมาเกิดความสุขดีๆเกิดความสูขว่าโลกนี้ยังมีความหวังอยู่ไอ้ความสุขดีๆที่เกิดขึ้นนี่มันก็ช่วยทําให้อะไความปดทุกท้อแท้สิ้นหวังว่าฉันไร้ค่าไม่มีประโยชน์อะไรเนี่ยมันหมดปังก็เลยเปลี่ยนใจใน่ฆ่าตัวตายไม่ได้ไม่ได้มีผลอะไรมากนะแต่ถึงเพราะว่า ช่างแต่ผมคนนั้นเนี่ยปฏิบัติ ก, กับเธอด้วยความใส่ใจก็มีคนในสัมภาษณ์ช่างแต่งผมคนนี้ว่าคิดยังไงเลยนะเขาก็บอกว่าก็ไม่ได้ทาอะไรพิเศษไปกว่าคนอื่นเลยนะเธอก็ปฏิบัติกับลูกค้าคนนีเน้เหมือนกับคนอื่นๆแต่ว่าเธอมีความสุขที่ได้แต่งผมที่ได้ทำงาน ก็เชื่อแน่ว่าตอนที่เธอแต่งผมเนี่ยนะก็เรียกว่าอยู่กับลูกค้าใจก็อยู่กับลูกค้าเตนะ็มร้อยไม่ได้คิดไปเลยว่าเดี๋ยวตอนข้ามนี้นะจะทําอย่างไรนะสิ้นเดือนนี้จะเอาเงินที่ไหนผ่อนผ่อนหนี้ผ่อนรถนะให้มีความรู้สึกแบบนี้หลายคนนี่ทํางานไปก็กังวลละสิ้นเดือนนี้จะ ขอนี่ยังไงดีขอนบ้านยังไงดีเปนนี่ก็สิบล้านยี่สิบล้านกู้ใจแต่ว่าชัางแต่นนโมงนี้ไม่มีความสนะึกแบบนั้นอันนั้นเป็นภาระที่ยังไม่มาถึงถึงสิ้นเดือนคอยว่ากันนะเรื่องนี้นี่หลวงพ่อพยอมน่าจะมีเกร็ดเล่านะเคยมีคนถามท่านว่าว่าสวแก้วเนี่ยนะเคกู้เงินมาหลายสิบล้านซื้อที่อ่ เป็นนี้ธนาคารหลายสิบล้านเนี่ยหลวงพ่อกุ้มใจบ้างไหมท่านบอกว่าจะกุ้มใจทําไมไอ้คนที่ควรกุ้มเนี่ยคก็คือเจ้าของเงินที่ธนาคารนั่นแหละว่าเราจะมีปัญญาส่งเงินให้เขาไหมมาเป็นเงินของเขาเราไม่เราไม่กุ้มหรอกคนะือท่านไม่ได้คิดว่าจะเดียวนะแต่แา่คิดว่าจะไป ไปกังวลกับการถอนหนี้ทําไมมันยังไม่ถึงเวลาการถอนหนี้คือถอนเป็นเดือนถ้าไม่กังวลด้วยเจ็บหนี้เท่าไหร่ก็ก็ทํางานอย่างมีความสุขถึงเวลาก็จ่ายถ้าจ่ายไม่ไหวก็ค่อยว่ากันอีกทีเนี่ยเราลองดูนะเรื่องการการการอยู่กับปัจจุบันให้ได้เนี่ยมันเป็นศิลปะ ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็ทําให้งานการต่างๆสําเร็จแล้วก็มันเป็นสิ่งที่จะช่วยทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผูอื่นเป็นไปด้วยดีแต่มไม่ใช่แค่นั้นนะการดีกับปัจจุบันยังเป็นหลักสําคัญเลยในการที่จะทำให้เราสามารถพ้นทุกข์ได้เมื่อเราเจริญสติเราก็รู้กายที่เคลื่อนไหว เมื่อใจเราคิดนึกไปเผลอคิดไปเราก็รู้ใจที่คิดนึกนั้นหรือรู้อาการที่คิดนึกนั้นไม่ได้ไปรู้นอกตัวเลยรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกกายเคลื่อนไหวคือปัจจุบันใจที่คิดนึกตอนนั้นเนี่ยนะเราจะไม่รู้ทันปัจจุบันที่คิดนึกแต่ว่าพอมาลูกปักพอมาคิดปักเราก็รู้ปุ๊บนะเรียกว่ารู้ตาม ไล่ในถณะที่ใกล้กันเลยก็ถือว่าเป็นการรู้ปัจจุบันได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่นี่พอใจคิดนึกไปแล้วก็ลอยไปคิดไปหลายเรื่องหลายราวมันก็ลดไฟเลยมีหลายขบวนมีหลายตู้นกว่าจะกว่าจะรู้ตัวก็คิดไปแล้วสิบเรื่องมือนก็ลดไฟที่ยาวสิบตู้ยังช้าอยู่นะ ความรู้ตัวยังช้าอยู่แต่ต่อไปมันก็จะรู้ไวขึ้นรู้ไวขึ้นนะรู้ไปได้สักทักความหลงหายเพราะว่าสติขึ้นมาแทนที่พอสติมาแทนที่ใหม่ๆ ม, มันก็ยังคิดต่อนะมันก็รถที่วิ่งเร็วรถที่วิ่งเร็วนี่ แต่เบกที่แรกมันไม่หยุดหรอกนะแต่เบกที่แรกยังไม่หยุดต้องแตะหลายครั้งนะกว่าเราจะหยุดเวลาเรามีความคิดเนะีผู้ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยพอมีสติรู้รู้ว่ากําลังกังวลรู้ว่ากําลังหมุดหงิดรู้ว่าธรรมมันได้หายก็เพราะว่าเรายังแตะเบรคนะน้อยไป แต่ว่าแต่เบยในที่นี้ไม่ได้ม้เพราะว่าการห้ามคิดมันะจะมาถึงเปียบเทียบกับสติว่าสติเนี่ยพอมันเกิดขึ้นปุ๊บความกังวลความหง่ดก็หายไปแต่มันเกิดปุ๊บขณะเดียวพอมันหายไปความกังวลก็ขุดขึ้นมาใหม่แล้วก็ต่อไปเป็นสายพอมีสติปุ๊บหนึ่งแล้วก็หายไปความคิดพุ่งสร้างก็ต่อย จนกว่าสติของเรานี่จะเกิดแบบขีดยิดเลยนะขีดยึบจนกระทั่งมันไอความฟุ้งซ่านหรือลักคิดเนี่ยมันมันหายไปความกังวลหายไปความโกรธหายไปไม่ใช่เพราะว่าเรากดข่มมันแต่เพราะเรารู้ตัวเหมือนกับความเหมือนกับความมืดเหนาะที่มันหายไปเพราะเจอแสงสว่างเราไม่ต้องไปขับไล่ความมืดเป็นหลเพียงแต่ให้แสงสว่างเข้ามาความมืดก็หายไปความหลงหายไปเพราะความรู้ตัวเกิดขึ้น อันนี้เพระการอยู่กับปัจจุบันคือรู้กายรู้ใจก็ให้เราลองปฏิบัติดูนะไอ้พาล่าที่ยังมาไม่ถึงนะอย่าเอามาเป็นอารมณ์อยไปแดกมันจะมีกี่เรื่องกี่ราวที่จะต้องทําถ้ามันยังมาไม่ถึงก็วางไว้ก่อนตอนนี้ภาล่าที่มาถึงแล้วมีอย่างเดียวคือการปฏิบัติอยู่กับกายกับใจหรือว่าทําให้ เป็ น, ป น, ม, st st ปนมิจฉาตัวให้ได้เป็นมิกฉาตัวให้ได้เน้อันนี้คือภารกิจห ล, หลักภารกิจเดียวถ้าเรายังเป็นมิจฉาตัวไม่ได้เนี่ยอย่างอื่นนี่ก็มันก็ทําลําบากเมื่อวานนี้พ่ดถึงลมตาเป็นมิจฉาความเหงาหรือเป็นมิกฉาอารมณต่างๆถ้าเรายังเป็นมิจฉามิวนอารมณ์ต่างๆแล้วเรื่องมิวนถ้าเรายังเป็นมิจฉามิวนไม่ได้จะเป็นมิจฉาตัวนี่ลําบากมากเพราะว่าเวลาอยู่คนเดียวเนี่ยมิวนเกิดขึ้นมากมาย ต่อเมื่อเราเริ่มจะเป็นนิกับนิวร์เหล่านี้ได้จะมาก็มาจะอยู่ก็อยู่นะฉันไม่สนใจฉันก็ยังเดินปฏิบัติต่อไปแต่ขี้เกียจก็ปฏิบัติจะง่วงก็ปฏิบัตนินะจะงุนงงก็ยังปฏิบัติอยู่อยู่กัปบปัจจุบันจนกระทั่งมันมันถอยไปเองมันหนีไปเองถึงตอนนั้นเราจะเป็นนิ่งกับตัวเองได้